เตระส ก, กันว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หห้ามสร้างกุติด้วยการขอเริ่มเรื่องเล่าว่าพระภูมิพระภาคเจ้าประทับณเวรุวนารามใกล้กรุงราชครืครั้งนั้นภิกษุชาวแควนอารวีได้ก่อกุติที่ไม่มีเจ้าของหรือในที่ซึ่งไม่มีใครจับจองได้ก่อกุติเป็นของจำพาะตน คือเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นกุติไม่มีประมาณคือไม่มีกําหนดเขตแน่นอนด้วยการขอเอาเองคือขอของใช้รวมทั้งขอแรงกุติยังไม่เสร็จพวกเธอก็มากไปด้วยการขอเช่นขอคนขอแรงงานขอโคขอเกวียนขอพระขอขวานเป็นต้นก่อความเดือดร้อนแก่มนุษย์เป็นอันมากถึงกับเห็นภิกษุทั้งหลายเข้า ก็พากันหวาดบ้างสะดุ้งกลัวบ้างหันหน้าหนีไปทางอื่นบ้างปิดประตูบ้างเห็นโคสําคัญว่าเป็นภิกษุก็พากันหนีบ้างหมายเหตุ head, เรื่องนี้ควรเป็นเครื่องเตือนใจให้สังวรในการเรียรายรบกวนชาวบ้านจนไม่เป็นอันทําอะไรและแสดงไปในตัวว่าพระพุทธเจ้าทรงปราบปรามเรื่องเช่นนี้อย่างหนักเพียงไร ท่านมหากรสปะจาริกไปสู่แคว้นอาลาวีพักที่อคาลวะเจดีไปบินธบาดก็พบมนุษย์ทั้งหลายพากันว่าสะดุ้งหลบหนีเมื่อกลับมาถามภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วพอพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปสู่เมืองอาลวีก็กราบทูลให้ทรงทราบจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ตรัสเทศนาสั่งสอนไม่ให้เป็นผู้มักขอ ทรงเล่านิทานประกอบถึงสามเรื่องแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ก่อกุฏิที่ไม่มีเจ้าของเป็นที่อยู่จาเพาะตนด้วยการขอสิ่งต่างๆเอาเองพึงทำให้ได้ประมาณคือยาวไม่เกินสิบสองคืบกว้างไม่เกินเจ็ดคืบทั้งต้องให้ภิกษุทั้งหลายแสดงที่ให้ก่อนภิกษุทั้งหลายพึงแสดงที่ซึ่งไม่มีใครจองไว ที่มีชานรอบถ้าภิกษุให้ก่อกุติด้วยการขอสิ่งต่างๆเอาเองในที่ซึ่งมีผู้จองไว้ไม่มีชานรอบไม่ให้ภิกษุทั้งหลายแสดงที่ให้ก่อนก็ดีทําให้เกินประมาณก็ดีต้องอาบัตสังฆาทิเศตต่อจากนั้นเป็นคําอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดและอธิบายถึงลักษณะการไม่ต้องอาบัตไว้ ที่มีลักษณะอันไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและภิกษุผู้ทำเป็นบ้าหรือเป็นต้นบัญญัติสิกขาบทที่เจห้ามสร้างวิหารใหญ่โดยสงฆ์ไม่ได้กำหนดที่เริ่มเรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนโคสิตารามกรุงโกสัมพีครั้งนั้น ข้าเรือหักบุดีผู้เป็นอุปทาพระช น, นะขอให้พระชั น, นะแสดงที่ให้ตนจะสร้างวิหารถวายพระชั น, นะให้ปราพื้นที่ให้ตัดต้นไม้ที่ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นการก่อความสะเทือนใจมนุษย์ทั้งหลายจึงพากันติเตียนความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงติและทรงบัญญัติสิกขาบทว่า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 ต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดส่วนลักษณะการไม่ต้องอาบัตคงเป็นเช่นเดียวกับสิกขาบทที่6สิกขาบทนี้ต่างจากสิกขาบทที่ 6— โดยสาระสำคัญคือสิกขาบทที่ 6— ภิกษุทำเองด้วยการขอสิ่งของและขอแรงส่วนสิกขาบทนี้คนอื่นทำให้จึงไม่มีการจำกัดขนาดแต่คงต้องให้สงแสดงที่ให้เหมือนสิกขาบทก่อน เพื่อการเมียให้ปลูกตามชอบใจโดยส่งไม่รับรู้อันอาจเกะ ก, กะไม่เป็นระเบียบและอาจเป็นเหตุกระทบต่อความรู้สึกของคนอื่นพึงสังเกตอย่างหนึ่งว่าทั้งสองสิกขาบทนี้ให้ปลูกสร้างที่อยู่โดยมีบริเวณโดยรอบขนาดเกวียนเดินรอบได้ไม่นิยมให้ปลูกติดติดกันสิกขาบทที่8 ห้ามโจทย์อาบัติปราชิกไม่มีมูลเริ่มเรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนเวรุวนารามใกล้กรุงราชครืสมัยนั้นพระทับระมันระบุต์ซึ่งแปลว่าผู้เป็นบุตรแห่งมันละกษัตร์ได้บรรลุพระอรหัตผลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำอีกต่อมาท่านปรารถนาจะทาประโยชน์แก่คณะสงฆ์ โดยเป็นผู้จัดเสนาสนะคือเสนาสนะคหาปกะกมีหน้าที่จัดที่พักให้พระที่เดินทางมาและเป็นผู้แจกพัดคือพัดตุทะเทสกะมีหน้าที่จัดภิกษุไปฉันในที่นิมนต์ในเมื่อทายกมาขอพระต่อสงฆ์จึงกราบทูลความดมริอของท่านแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประธานสาธุการ และทรงแสดงความเห็นชอบด้วยที่จะให้ท่านทัพพมรบุตรทำหน้าที่ทั้งสองนั้นจึงตรัสเรียกประชุมสงให้สงเชิญพระทัพพระก่อนแล้วให้ภิกษุรูปหนึ่งสวดประกาศขอความเห็นชอบในการสมมุติพระทัพพมรบุตรเป็นผู้แจกเสนาชนะและแจกพัดพัดในที่นี้สะกดด้วยพอสมเภานะครับแปลว่าอาหารเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน ซึงเป็นอันสงได้สมมุติหรือแต่งตั้งแล้วพระทัพพระมลบรทําหน้าที่มาด้วยดีครั้งหนึ่งถูกภิกษุพวกพระเมติยะและภูมิชกกะซึ่งสองรูปนี้เป็นหัวหน้าของกลุ่มภิกษุผู้มักก่อเรื่องเสียหายเข้าใจผิดหาว่าท่านไปแนะนำข้าเรือหับดีผู้หนึ่งมีให้ถวายอาหารดีๆแก่พวกตนซึ่งความจริง เขารหบดีผู้นั้นไม่เลื่อมใสและรังเกียจ ด, ด้วยตนเองจึงใช้นางเมติยาภิกษุณีให้เป็นโจท์ฟ้องพระทัพพมลบุตรในข้อหาต้องอาบัติป ร, ราชิกเพราะข่มขืนนางพระพุทธเจ้าทรงประชุมสงไตส้สวนได้ความว่าเป็นการแกล้งใส่ความจึงให้ศึกนางเมติยาภิกษุณีพวกภิกษุผู้ใช้ออกรับสารภาพแทน ก็ไม่ทรงผ่อนผันปรับทรงเรียกประชุมสงฆ์ติเตียนหมู่ภิกษุผู้คิดร้ายใส่ความฟ้องพระทัพพมลบุตรด้วยอาบัติปา ร, ราชิกไม่มีมูลแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้ประพฤติเช่นนั้นต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดและแสดงลักษณะการไม่ต้องอาบัติว่าหนึ่ง โจ์ด้วยเข้าใจผิดในภิกษุผู้บริสุทธิ์ว่าไม่บริสุทธิ์ 2. โจทย์ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์จริง 3. ภิกษุเป็นบ้า 4. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหมายเหตุโจทย์ในที่นี้แปลว่าฟ้องหรือกล่าวหานะครับสิกขาบทที่9้า ห้ามอ้างเล่จ์อาบัตเล่าเรื่องภิกษุพวกพระเมติยะและภุมมะช ก, กะชุดเดิมแกล้งหาเล่จดประทัพพมลระบุตด้วยอาบัตปราชิกไม่มีมูลคือเห็นแพะตัวผู้เป็นสัตว์ด้วยแพะตัวเมียก็นัดกันตั้งชื่อแพะตัวผู้ว่าประทัพพมลระบุรตั้งชื่อแพะตัวเมีย ว, ว่าเมติยาภิกษุณีแล้วเที่ยวพูดว่า ตนได้เห็นพระทัพพมลบุตรได้เสียกับนางเมติยาภิกษุณีด้วยตาตนเองความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงไต่สวนพระทัพพมลบุตรได้ความว่าเป็นการอ้างเล่ใส่ความจึงมอบให้สงจัดการไต่สวนภิกษุพวกที่อ้างเล่ใส่ความเมื่อพวกเธอยอมรับว่าเป็นความจริงจึงทรงติเตียน และบัญญัติสิกขาบทห้ามอ้างเล่ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลทรงปรับอาบัตสังฆาทิเศษแก่ผู้ล่วงละเมิดต่อไปเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดและคำอธิบายลักษณะไม่ต้องอาบัตเป็นอย่างเดียวกับสิกขาบทที่8ตั้งแต่สิกขาบทที่หนึ่งถึงที่เเรียกว่าปฐมาปติกะ คือต้องอาบัตตั้งแต่ลงมือทำครั้งแรกส่วนสิกขาบทที่10ถึง13เรียกยาววา ต, ติยกะสงต้องสวดประกาศครบสามครั้งขืนดื้อดึงจึงต้องอาบัต